อุปชาวิสัชนาคติกับท่านลงตานะลงตับผีนาประโยชน์ ต, ตอนธรรมชาติของจิตเดิมแท้มาสักการนะคะคือที่หลวงปู่สัมมาจาก ท, ที่ที่ฟังมาทั้งหมดนะคะน่าจะ ก็น่าจะสอนให้ดูเท่าทาันตินเพราะตอนนั้นตอนที่หนูติดเนติบัณฑิตอยู่ตัวเดียวและพระอาจารย์ได้ไปสอนธรรมที่สาธารณสามประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองนะคะและหนูก็เรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าทําไมหนูถึงติดเนยอยู่ตัวเดียวแล้วติดหยุดคะแนนสองคะแนนสามคะแนนท่านพระอาจารย์ก็เลยสอนหนูว่า ให้หนูรู้เท่าทัจนจิตอะคะ่ะแล้วพอหนูมาได้ยินได้ได้ได้สัมผัสอีกรอบหนึ่งหนูว่าน่าจะเป็นประมาณเดียวกันนะคะจากที่ที่พี่เขาเป็นนะคะแล้วก็ตอนนี้หนูประสบที่เหตุอะคะ่ะเหมือนรถล้มปวดหลังอยู่ประมาณสามปีแล้วค่ะ ท, ท่านพระท่านพระอาจารย์หนูก็รักษากายภาพฝังเข็ม จนบางครั้งก็รู้สึกทอ้อเหมือนกันแต่ว่าวันนี้หนูก็ไปไปฟังเข็มไม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้มาฟังฟังที่ท่านพระอาจารย์สอนหนูมีความรู้สึกว่าหนูหนูน่าจะต้องกลับไปทําเหมือนที่พระท่านอาจารย์สอนหนูเมื่อปี51 52อีกครั้งหนึ่งหนูว่าหนูน่าจะหายจากอาการปวดหลังหนูเข้าใจถูกไหมคะอื มันในไอ้นั่นมันต้องถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันลมไปวทหลังนี่มันต้องมันจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะเพิ่มไหมที่สอนเมื่อเช้านี่เรื่องอนาปาสติเราไม่ได้สอนต่อถึงขั้นที่กักลมเมื่อเช้าหนูไม่ได้ไปไปเรียนกับท่านเัรว่าหนูติดงานค่ะอืมมันเรื่องไอ้เมื่อเช้าเราสอนในอนาปาสติมันจะต้องเลยไปอีกถ้าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเจะป่วยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมันจะต้องไปฝึกอนาปาสติเมื่อเช้าคือปรับลมหายใจให้ละเอียด ไอ้นมเปรอเบายาวลึกแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องมีหลักสูตรต่อไปคือเมื่อปรับรายละเอียดแล้วต่อไปก็ฝึกกักลมไว้ที่ท้องน้อยกักลมแล้วลองเอาจมูกไปเอาเอาน้ำเอาเอากระมังใส่น้ำมาแล้่อาจมูกไปไปจุม่มเรากักลมถ้าเรากักอยู่ปุ๊บไอ้ฟองอากาศเนี่ยราจะได้ออกจมูกแล้วก็เอากระมังใส่น้ําแล้วหน้าจุ่มไปแล้วก็ เออไม่มีฟองอากาศออกจากจมูกก็แสดงว่ากั ก, กได้แล้วพอเรากักลมออกกักได้แล้วเราก็กําหนดเคลื่อนลมไปที่เราเจ็บปวยในยร่างกายเจ็บปวยจริง ๆ, จงๆเจ็บปวยตรงไหนก็ก็กักเราไปจี้ใส่เอาความรู้สึกว่าลมที่ ก, กักไว้นั้นไปจี้ใส่ตรงที่เราเป็นหมอเขาบอกเรามีกายภาพบัตัตรงไหนเราก็ไปจี้ใส่ตรงนั้นแล้วคาทิฐานเอาให้ปัญหาให้มันกลับคืนสู่ความเป็นปกติคือมันเวลาเวล า, ร, า, ร, าร่างกายเนี่ย เวลากระดูคนเป็นที่กระดูมันจะเป็นหมดเลยคือกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทหมอรองกระดูเยอะในกระดูกทั้งหมดเนี่ยต้องรวมไปหมดอธิษฐานให้มันกลับคืนสู่ความเป็นป ก, กติให้เจ็บไปป่วยหายผิดปตกติแล้วก็ตอ น, นอธิษฐานจะต้องกักลมให้อยู่อย่าให้รั่วแล้วก็อธิษฐานจนกว่าได้ฌานเสร็จแล้วคิดหายใจได้แล้วก็ ท, ทําซ้ําๆไม่กี่ทีมันก็หายได้จากประสบการณ์เมื่อก่อนนี้ก็คือช่วยผู้วิส า, าที่หมอนรองกระดูทับเส้นประสาท แล้วก็ปวดมากเลาวหลงต้นขาเลาวขึ้นคอแล้วต้องเลาวขึ้นศีรษะทรมานร้องไห้อยู่เลยต้องกินยาลาง้งงับปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้กระดูกผูกมดเอ้อยยาแก้ปวดเนี่ยตดวตายก็ใช่รักษาในแบบนี้เนี่ยให้รักษาตัวเองโดยให้เขาช่วยตัวเองทําตัวเองแบบเนี้ยตัวเราเองก็เป็นเหมือนกันเนี่ยตัวตาเองก็หมอลองกระดูกตับเส้นประสาทมันก็เลยมันเลกออกมาพอแก่เราก็ดับกระดูกมันสุดเพราะเรานั่งสอนนาน ไอ้หมอรองกระดูกปิ้นเป็นทับเส้นประสาทปวดมากปวดล้าลงขาขึ้นขึ้นดิสระบนทรมานมากเลยก็เช่แบบนี้เนี่ยกลับลมนี่ท้องน้อยได้จริงๆแล้วมันไม่รั่วแล้วก็กําหนดเคลื่อนลมไปอัดไว้ตรงไอนกระดูกสันหลังพร้อมก็จะเป่งอย่างเงี้ยเราไปอัดกระดูกสันหลังไว้แล้วกระิฐานไอ้กระดูกกามเหลืเอเส้นเอ็นเส้นประสาทหมอรองกระดูกเยื่อในกระดูกต่างๆเยื่อที่มาหุ้มอ่ะกัมเหลือตมันหุ้มกระดูกทั้งหมดอนะ่ะต้อให้มันกลับคืนสู่ความเป็นปกติไม่ให้มันล้างผิดปกติ อันันกลับคืนสู่ความเป็นปกติธรรมชาติสมดุลชาติโ ด, ย, ดยอัตโนมัติตลอดเวลาสั้งแต่นี้ตนไปแล้วก็การลมหายใจไว้ตลอดเวลาที่ที่ฐานไอฐานเสร็จก็ต้องกันไว้อีกจนกว่าจะหมดกําลังที่จะกันไว้แล้วก็อัดไว้อย่างนั้ น, นเนี่ไอเสียงเสียงกระดูกมันเคลื่อนคลึดคลึดครึดแล้วก็หายไาแต่แบบนั้นเลยเอไอนี้มันเป็นเรื่องความเจ็บป่วยทางกายต้องต้องใช้อานาปานสติเข้าไปช่วยด้วย แต่ถ้าอย่างของหนูเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ป่วยทาํางานมาจากทางกิษเป็นเหตุทําไม่กายป่วยเขาแก้ทางกิษคนละอย่างกันว่าของหนูนี่เขาไปจับเบาสบายแต่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลับไปล่องเดิมอีกที่ว่าพอพูดจบแล้วใครถามเสร็จแล้วหนูก็จะพูดว่าที่ขับพยายามถามว่าแล้วพอปล่อยหมดแล้วตอนนี้หนูเป็นยังไงมั น, ม, นมันเบาสบายแล้วใครถามอีกมันปล่อยหมดแล้วเป็นยังไงเบาสบาย เดี๋ยวหนูจะกลับไปไปจับอีกมันเบาสบายก็ปล่อยไปอีกอย่าให้มันอยู่ในใจเราต้องปล่อยอีกปล่อยอีกถ้าหนูไม่ปล่อยตรงนี้หนูจะกลับไปเป็นอีกเราต้งพยายามให้คนถามเราแล้วก็ฟังเราพยายามฟังไว้ว่าหนูจะกลับไปจับอีกเนี่ยเพราะว่าเมื่ใครถามเมื่อกี้หนูปล่อยแล้วเป็นยังไงปล่อยแล้วเป็นยังไงตอนนี้มันเบาสบายเบาสบายหนูไปหมายเอาแต่ตรงเบาสบายเบาสบายก็ต้องทิ้งอีก เจออะไรทิ้งอีกทุกขนาปัจจุบันทิ้งหมาถึงว่ามันจะต้องไม่เข้ามามีค่ามี ค, ามความสำคัญในใจเราเป็นนั้นขาดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ห้ามมีไม่งั้นเราจะกลับไปป่วยอย่างเดิมอีกเราที่พยายามฟังว่าให้ถามแล้วเราพยายามฟังดูซิว่าจะกลับไปผิดพลาดไหมผิดพลา ด, ด, าดจริงๆอ่ะคือพอทิ้งหมดมันจะวิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบาก็ไม่ไดอีกเกๆๆินเกๆๆินกๆๆว่าที่เคยเจอเพราะว่าตอนแรกมันบสบายเกิดจากการยังไม่ได้ไปล่วางนี่ยิงปล่อยวางไปได้ ได้ตั้งเอยอะมากมายแล้วมันจึงว่างยิ่งเบาหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้ผู้ที่ไหลก็จับไปตอนนี้วางไปแล้วมันก็เบาหมดเลยวางไปแล้วก็ว่างหมดวางไปแล้วก็เบาหมดอันตรายมากนะเพราะว่าจะกลับไปจับอีกก็แสดงว่าไอ้ค่าของความเบาสบายความว่างเนี่ยมันมีคุณค่ามีค่าอยู่ในใจเราอันนี้คือยึดเนี่ยยึดยึดตรงนี้เรากลับไปติดเนี่ยติดอีกตอนนี้ก็ป่วยหนักอีกกลับไปอีกแล้วก็เจ้ากลายเป็นว่าโอ้หมอก็าพูดว่าจริงเลยไม่ใช่เพราะเรากลับไปผิดอั่งเก่า เข้าใจไหมอ่ะมันก็เห็นได้ประจักษ์ว่าที่หมอวินชายมันไม่ถูกเพราะว่าพอเราทิ้งหมดทิ้งหมดที่หมดหน้ามันก็แดงไปลูกตำลึงเนี่ยมันก็ร้อนเผาเนี่ยมันจะไปจริงได้ไงไม่ใยไม่ได้กินายาอะไรเลยนั่งอยู่แค่นี้ยกลับมาหน้าแดงแล้วไหนเลือดไม่มีหน้าแดงลูกตำลึงใครก็เห็ น, นใช่ไหมเออเพ็าะฉะนั้นเนี่ยแต่หนูกลับไปจับว่างอีกหน้าตีดอีก มันไม่ได้ว่าเอา้ากลับไปหมอเขาก็มีใจถูกไม่ใช่เพราะหนูกลับไปผิดเหยียบเดิมอีกไปจับว่างเบาสบายว่างผพมันทิ้งหมดว่างเลยทิ้งหมดเบาหมดเลยไอ้ข้าเนี่ยเราฟังแล้วสังเกตหลายครั้งหนูพูดแต่เรื่องเบาสบา ย, บา ว, บายว่างเบาสบายว่างไอ้ข้าตัวนี้มันมีความมีค่ามีความสมบารณมีความมีค่าในใจของหนูหนมันก็เลยไปจับมันไว้ได้ยึดไว้ทำไมทุกอย่างไม่มีค่าในใจเลยเพียงแค่รับรู้รับรู้รับรู้มันจะไม่มีค่าอยู่ในใจใจเราก็จะไม่ไม่ ไม่ไปจับอะไรเลยถ้าทุกอย่างไม่มีค่าอยู่ในใจเลยก็พ้นทุกข์หมดที่มันได้พ้นทุกข์เพราะทุกมันมีค่ามันมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เขามันมีค่าอยู่ในใจเรามันเลยไม่พนทุกข์ถ้าทุกอย่างมันมีอยู่แต่ไม่มีค่าเอาไปเอามาเป็นคุณค่าความสำคัญไว้ในใจเราเราจะไม่ไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่มีไม่มีความทุกข์เลยพนทุกข์ไปเลยเข้าใจไหมล่ะหนูก็เข้าใจไหมจะซัก <c oughs> อะไรต่อไหม ถ้าเกิดถ้าเกิดหนูจะสอบในขั้นต่อๆไปหนูจะต้องเอาแนวปฏิบัติที่หนูที่หนูเคยปฏิบัติตอนที่เหลือในสีบัณฑิตตัวเดียวตอนนั้นกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะวมันมันด้วยคปล่อยวางผมมีอารมณ์ความทุกข์ความเครียดและมีความยึดติดเลยสอบไม่ได้ดริงหนูภายในจะมีอารมณ์ความเครียดความยึดอยู่หนูบอกปล่อยวางแต่ข้างในมันยึ ความทุกข์ความเครียดหรือยึดอะไรไว้หนูตองปล่อยวางปล่อยวางนะหรืยึดความไม่พอใจใครไว้หนูต้องปล่อยวางให้หนูยึดไว้นั่นหนูไม่ได้ปล่อยวางควเป็นพอใจมีความทุกข์ความเครียดแล้วก็นีออกมาดับครับจิตใจมันต้องว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือม้านอะไรนี่หนูยึดอะไรไม่ได้ใจไม่พอใจใครจิตใจมันูต้องปล่อยวางมันปล่อยวางเพื่อประโยชน์เราเนี่ยจะรุลุเรืองทั้งโลกทั้งธรรม เราไปโกรธแกนเขาไม่พอใจใครเราไปเก็บไว้ในใจคิดๆคิดมันฆ่าเราทําอ้อมฆ่าเราตัวฆ่าเราแท้เลยเราไปโกรธเขาหนุนดีเขาไม่ทํายใจมันเก็บมันเก็บความไม่พอใจแขนงเครืองค้างคาเจ็บเป็นเก็บใจไว้มันไม่ได้ไปทำลายเขาได้รแต่ฆ่าตัวเราแต่แท้ๆสอบอะไรก็สอบไม่ได้ไม่นยเพราะว่าอะไรมันรังสีจีนมาวันดําคั่มหมดเลยเราไม่ยอมปล่อยวางเราต้องให้อภัยเมตตาให้อภัยศีรษาทุกอย่างผ่านไปผ่านไปให้อภัยให้อภัยเมตตาให้อภัไม่รีรษา ควจริงอะเราไยึดก็เองแต่ไปยึดไปยึไดไปในใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใจมันสว่างสไว้ว่างเปล่าสว่างสว้ที่หมดอะเข้าใจไหมล่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเร า, าไปให้เขาพูดกีที้เนี่ยเขาก็าใจไม่อย่างที่เราพูดเ่ยนะนะเราพูดแล้วเข้าใจไหมอะที่เมื่อกี้เราว่าไปเนะี่ย เข้าใจไหมอ๋อเรบส่ภาพมาที่พูดมาที่อ๋อเดี๋ยวจะกลับไปผิดอีกก็อนมันทำใจให้รู้สึกว่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยวางเดี๋ยวเดี๋ยดียเดี๋ยเ๋ยเดี๋ ย, ยพูดผิดอีกแล้วเนี่ยทำใจให้รู้สึกว่างแล้วปล่อยวางไอ้คำแรกต้องทิ้งเลยเนี่ยนูพูดเราพูดเราก็ยังไม่เข้าใจอ่ะไปทำใจให้รู้สึกว่างแล้วปล่อยวาง ผิดหน้าแรกเนี่ยผิดผิดผิดมาหาศาลเลยนะหรจะกลับไปป่วยอย่างเดิมเอให้ทําใจให้รู้สึกว่างเนี่ยต้องทิ้งไปเลยทิ้งไปจากใจคราวนี้ต้องไม่มีมีแต่ปล่อยวางอย่างเดียวแล้วไม่หมายว่าปล่อยวางแล้วต้องวา่างไม่แต่ว่างนั่นเองก็ต้องปล่อยวางมันหนูยังไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ยไม่เข้าใจนดเดียวมันเข้าใจซับนะซักละเอียดเดีย๋ยกลับไปป่วยได้เอาอจะว่าไว้เลยแบบเนี้ย แต่ทำความรู้สึกว่างแล้วปล่อยวางมันก็ไปอย่างนี้มันก็ไอความว่างมันมีค่าเราก็ยังพูดอยู่ามื่อกี้ว่าย้ายความว่างมีค่าในใจเราเราไปทําความรู้สึกไม่ว่างแล้วปล่อยวางอย่างนี้ก็เสียท่าเราพยายามหมายไว้อย่างไงหมายความว่างไว้นะ่เนี่ยยังไงปล่อยวางหมดแม้แต่ความว่างให้ปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกปล่อยทิ้งหมดเนี่ยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยรับรู้แล้วปล่อยผ่านรับรู้แล้วปล่อยผ่านทุกอย่างเลย สงสยัยสงสยัยแล้วสงสยัยเอาสงสัยถามมอามาซักเอานั่งหน้าใหม่เอาตอนเนี้ยส <c oughs> งสยัยสงสยัยแล้วเอากลับไม่ได้เนี่ยจะสงสัยกลับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปผิดอีกอะแล้วไปเชื่อหมอว่าป่วยเองแล้วได้ตัวเองกับผิดเองอเอาซักเราให้เต็มที่เลยวันเนี้ยไม่ชัดเจนกับบานไม่ได้เอา้า ไม่เข like ้าใจตรงไหนอ่ะเราพูดผิดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเอาอาจารย์พูดอย่างงี้หนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยมีไหมดูสิแอมเป็นยังไงเอาอรหนูไปจับว่างอีกแล้วเนี่ยจับว่างนจับว่างเบาสบายแล้วนี่หนูไปจับว่างอย่างนี้กลับไปแบบเดิมไหค่อยๆกลับไปแบบเดิมไหมเนี่ยไอ้หน้าแดงๆมันจะกลับมาซีดเลยค่อยๆปิดลงซิดลงหนูจับว่างนเนี่ย จ ะ, ไป จ, ะ ไ, ไปจับวามเบาๆสบายไว้เนี่ยเราก็ไปจับนหรืะจิตเดิมแท้ๆของเราทุกคนเนี่ยจิตตั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้ๆ ห, หรือหรือวิญญาณธาตุแท้ๆเนี่ยตั้งเดิมแท้ๆของเราเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับอากาศเหมือนกับอากาศเนี่ยเนี่ยเหมือนกับจักรวาลว่างเปล่าเหมือนกับธรรมชาติเหมือนเหมือนจักรวาลเนีน่ยแต่เมื่อเราไปจับเนี่ย ไปจับว่างจับตบาสบายไปยิตไว้เราพูดยังไงก็ไม่ยอมปล่ อ, อยเพราะว่ายังไม่เข้าใจไปจับว่างจับเบาสบายไว้เนี่ยจินเต็มจะแท้ ม, g, มันจะถูกพุ่มด้วยไอ้ครอบแก้วอะคอบแก้ ว, กวมันดี่ว่าไอ้คอบแก้วที่ก็มาคอบผ้าพระที่พระที่เรามาไหว้ตามโต๊ะพระแล้วก็มันจะมีครอบแก้วกันไว้ยมันจะมีครอบแก้วเนี่ยกั้นไว้หมดเลยมันจะมีครอบแก้วมากั้นไม่หมดเลยเหมือนกับเป็นเป็นครอบแก้ว ขอบแก้วที่มันมามากั้นปิดหมดเลยทุกทุกด้านเหมืกับเป็นขอบแก้วติดกลมกลมอะมาปิดหมดเลยทุกด้านถึงเราจะว่างยังไงมันก็ว่างอยู่ในขอบแก้วขอบแก้วเนี่ยมันมันมามาปิดเป็นขอบแก้วกลมปิดหมดเลยถึงเราจะว่างยังไงที่เดิมใครจะว่างยังไงแต่มันไม่ว่างซะแล้วมันถูกคอบ ด, ด้วยขอบแก้วมันว่างอยู่ในขอบแก้วไอ้ที่ หนูป่วยก็เพราะว่านี่แหละแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นแบบเนี้ยก่อนที่จะเราจะ้ปล่อยวางอะจิตเดิมแท้ๆของหนูเนี่ยถูกครอกแก้วคมเนี่ยมัดครอบไว้หมดหนูว่าไปจับเบาสบายวางไว้มันก็เลยทุกคนเนี่ยถ้าไปจับอะไรไว้มันถ้าจับไอ้ไอ้เบาสบายเนี่ยครอกแก้วมันจะถูกครอบแก้วปิดไปหมดเลยแต่ถ้าเราไปจับลูกจับผัวจับเมียจับลูกจับหลานจับสมบัติสมถทานต่างจับตําแหน่งราภยศอยากได้อยากด้อยนึกอยากแค่เนี่ย อันเนี้ยมันไม่ใช่ครอบแก้วธรรมดามันดำไปหมดเลยเหมือนกับว่าท่านเนี่ยนุงเกงสีดำมาเนี่ยมันดำแบบนั้นเลยดำเหมือนกับท่านมองไปนอกห้องกลางคืนตอนเนี้ยมันเป็นไงท่านกลางคืนตอนเนี้ยมันเปิดไฟอยู่ในห้องเนี่ยท่านมองออกไปข้างนอกนี่เป็นไงมืดไหมพราะแน่ะมันไม่เหลือสภาพเลยนะมันมันมืดไปหมดเลยอันเนี้ยมาสอบอะไรก็สอบไม่ได้แบบเนี้ยมันไปจับยึดจับไม่พอใจจับพอใจไม่พอใจมาโห่ใครแข้นเครืองค้างคาปูกเกจิตรัคฆาตปยาบาทใครใครใครมาทําให้เราไม่พอใจก็จบ เก็บไว้ไม่ไม่ยอมให้อภัยมันมืดไปหมดเลยมันแค่ครอบแก้วครอบแล้วอันนี้ยมันดํามืดไปเหมือนกันเนี่ยมันมองจากข้างในออกไปข้างนอกอีกตัวเนี้เป็นเวลากลางคืนมันเปิดไฟแต่เนี่ยมองไปข้างนอกดูสิเป็นไงมืดหมดเลยนะเนี่ยคนไหนคนนั้นไม่เคยมีใครสอบได้เลยมืดแบบเนี้เพราะคนที่เขาสอบได้คือใจเขาเนี่ยมันมันในกิเลสมันเบาบางมามากแล้วมันไม่มืด แต่ถึงไม่มืดยังไงอ่ะมันก็ยังไม่มันยังไม่กลับคือเป็นสูวนจิตเดิมแท้มันก็ถูกครอบแก้วเนี่ยขอบแก้วกลมเนี่ยครอบไว้สะกไอจิตเดิมัตั้งเดิมนต้แท้มันว่างยังไงเหมือนกับธมรมชาติจักรวาลเนี่ยมันก็กลายเป็นว่างอยู่ในครอบแก้วเนอ ก, กจากว่าเราไปยึดอะไรสักอย่างเดียวคือไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายต่จใจเรามันมีอยู่จะไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราไป เ, เข้ามายึดไว้ในใจ จิตเดิมแต่แฉเนี่ยพราะก็จะไม่มีอะไรครอบมันคือไอ้ครอบแก้วที่มาครอบเนี่ยมันก็จะหายไปจิตเดิมแต่แฉเราเนี่ยก็กลายเป็นความว่างอันเดียวกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลก็เป็นเราเลยเรียกว่ากลับคืนสู่จักรวาลเดิมหรือกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของเราคือความว่างเปล่าเช่นเดียวกัจักรวาลแต่พอเราไปจับความว่างปุ๊บมันกลายเป็นไม่ว่างคือมันมาว่างอยู่ในครอบแก้วไอ้ที่ไปจับไว้เนี่ยมันกลายมาเป็นครอบแก้วครอบ พอเราเนี่ยปล่อยวางหมดเหลือแต่รู้รู้เนี่ยมันเป็นความว่างตั้งเดิมแต่แฉคือธาตุตั้งเดิมแต่แฉไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับอากาศและความว่างเช่นเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลไม่มีอะไรมาขวางกันไม่มีอะไรมาครอบมันเป็นความว่างเป็นเนื้อเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นธรรมชาติแม้แต่ยังไม่ตายใจไอ้จิตตั้งเดิมแต่แฉมันก็กลายเป็นเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วเั้นไอ ขันห้าเนี่ยมันยังไม่ดับเพราะว่ายังไม่ถึงข่าวตายเมื่อเนี่ขันห้าคือร่างกายแลว้วก็เวทนาสัญญาสังขามนิยญญามทุกเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็ยังต้องทํางานของมันตามธรรมชาติยังมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ามมตามธรรมชาติแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ต, ตณามธรรมชาติของขันห้าเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรไอจิตตั้งเดิมแท้แท้ซึ่งมันกลายไปเป็นซึ่ ง, ง, งนนไม่ยึดอะไรแล้วแม้แต่คุณจะมีความคิดความรู้สึกมีอารมณ์อะไรตั้งจะเป็นกุศลหรืออกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นถูกใจไม่ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาที่เป็นเกิดขึ้นเป็นของขันห้าเนี่ยคือขันห้าก็มีทั้งรูปเวทนาก็มีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาคืออาการที่ถูกใจอาการไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆความสัญญาจําได้หมารู้มีสังขารความคิดปรุงปรุงคิดมีวิญญาณรับรูต้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็ทํางานของเขาเนี่ยเต็มกระบวนการของเขาทุกขณะปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่มีใครไปยึดเขาไม่มีใครไปยึดอะไรเขา ไม่มีใครไปรองรับขนันหน้า ม, มีใครไปยึดขั น, ขนห้าแล้วมีใครไปยึดสิ่งใดในภายนอกไม่เขาเ้าไปยึดอะไรจนพอใจไม่พอใจมาเก็บไว้ในใจเมื่อใจมันไปนยึดอะไรเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นครอบแก้วก็ไม่มีมันก็เลยว่างเปล่าหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลต่อให้มีขันห้าแสดงเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ตลอดเวลาตามตามปกติของธรรมชาติโดยแทย้จริงคือไม่มีใครไปแทรกแดงเขาเลยเขาทํางานอย่างเต็มตัว แต่กำลังความสามารถของเขาจะไม่มีใครไปแทรกแซงไปลองรับไปยึดเขาเลยขันห้ามมันคงแสดงอาการกริยาการไปแต่มันไม่มีตัวใจไปรองรับเพราะตัวใจมันหายไปแล้วเหมือนกับตัวใจมันหายตัวไปแล้วมันไม่มีตัวใจมีแต่ขันหามที่เป็นความรู้สึกมันคิดอารมณ์ทางานนู่นทําอะไรไปแต่ตัวใจที่ไปยึดไม่มีที่ไปรองรับไม่มีไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างๆนะไอความรู้สึกว่างๆเนี่ยเป็นอาการที่ถูกรู้ แต่ไอ้ใจเที่มันมันมันว่างจากตัวตนเนี่ยที่มันเหมือ น, นกับพระธรรมชาติหรืจักรวาลเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกวา่างไอ้ความรู้สึกว่างเป็นสิ่งที่ถูรู้ไอ้เนี่ยมันเกิดจากความที่ไม่มีตัวใจอ่ะไปรองรับอะไรมันเลยว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่ไปยึดมั่นถือมาาั่นว่างจากครอบแก้วว่างจากอะไรที่มาครอบกันทั้งหมดมันหายตัวไฟงูาง่ายไอ้ตัวตนเนี่ยมันหายไปเลยไอ้ตัวจิต้ดำไอ้จิตแท้ๆเหมือนกับว่า ตัวิตหรือใจเนี่ยมันหายตัวไปมันหายตัวไปเลยไม่ใช่ว่าไปไปว่างไว้ที่ไปจับ ว, าว่างๆไวเพราะจองว่างปุ๊บมันก็เลยมีครอบแก้วมาครอบเลยบริกรรมเป็นไอนจิตเดิมมัแท้มันถูกครอบแก้วครอบไปเลยไอความรู้สึกว่างๆเนี่ยคือครอบแก้วจนกว่าจะไม่ยึดเอาความรู้สึกว่างๆนั้นไอครอบแก้วก็หายไปใจก็ไม่มีตัวตนอีกหายตัวไปใจเ น, นเนี่ยคือรู้แต่แต่รู้ไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่แต่รู้ ทุกอย่างไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจใจก็ได้แต่รู้ทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทุกอย่างเหล่านั้นไม่มีค่าไม่เอาเข้ามายึดไปในใจมาจับยึดไว้มันก็เลยไม่มีตัวใจในทุกขณะปัจจุบันพอตายแล้วไอ้ขันห้ามันดับนะร่างกายดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เวทนาสัญญาสาขาวิญญาณมันดับขันห้ามันดับหมดแต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวใจมันได้แต่รู้ แต่ตัวตัวตนมันได้หนีพอขันห้าตายปุ๊บไอ้ความรู้สึกนึกิดอารมณ์มันค่อยดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปห่างออกไปห่างออกไปเหมือนไอ้เครื่องบินที่มันบินห่างตัวเราออกไปไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเครื่องบินที่บินห่างออกตัวไปห่างออกไปห่างออกไปเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยเแล้วที่สุดมก็บินไกลออกไปหรือเหมือนแสงสว่างที่มันลิบหลีลิบหลีค่อยค่อยอกไปจากตัวเราจนมันห่างออกไปจนกระทั่งมันพ้นออกไปเราก็ตายลมหายใจก็เลือบเลือบไอ้ตัวเนี ine, 對對้ยไอ้ความรู้สึกตัวเ mm hmm. น iden, well, okay. ี See, ่ยมันด okay, so ับไปก่อน แล้วลม ใ, ใจมันก็ดับที่หลังร่างกายก็เน่าแตกออกไปทำลายไปขันห้าก็ดับไปแต่อายรู้ที่ไม่ตัวที่เป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจเนี่ยมันเป็นความไม่มีตัวตนแล้วมันก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนมันก็ดับหายไปเหมือนกับไอ้ไอ้เปลวไฟอ่ะที่มันสิ้นเชื้อดับพึ่งหายไปนั่นแหละจิตวิญ ญ, ญาณก็ดับไปเหมือนดับเปลว ไ, ไฟดับในี่ยหลวงพตัดว่าเนี่ยมันดับไปหมดแต่จิตวิญญาณที่ไม่เข้าไปคิดอะไรไปรองรับอะไรมันดับไปมันไฟสิ้นเชื้อไปเป็น มันก็เลยไปเปื่อนธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีส่วนตนไม่มีอะไรเลยในธรรมชาติและจักรวาลไอเนี้ยไอธาตรู้เนี่ยมันเป็นอมตะใครทําลายก็ไม่ได้เป็นนิพพานธาตแล้วก็เป็นนิพพ า, า, านแล้วบรรลุ น, นิพพานแล้วก็ทำลายไม่ได้เแ็่แต่รู้ขอดใจไม่เอาเนี่ยหรือไม่ขอดใจพูดซะยืดยาวกลับไปปล่อยวางให้หมดนะอย่าจับยึดอะไรไว้แล้วตอบไปปัหาเราอีกมีปัญหาอะไรก็ อย่าร้อยเราตายซะ ก, ก่อนแล้วก็ไปจับยึดไว้หาคนช่วยไม่ได้จะบอกให้เอาแก่แล้วน น, นก็เป็นแบบเดียวกันเราพูดไปไปจับยึดไว้จับยึดสภาวะไว้เบาสบาย ว, ว่างๆไมันก็เลยพูดยังไงมันก็ไปจับยึดเอาไวม้มันไม่ไม่เอารู้จะไปเอาสิ่งที่ถูกรู้เลยนะทิ้งหมดเหลือแต่ความว่างเบาสบายมันไม่เอารู้ไว้ มันเลยไม่รู้嘛ไม่รู้มันไปจับมันไปเอาไปเอาว่างเบาบางบเบาสบายอยู่อเลยเบาสบายทั้งวันมันไปเอาเบาสบายซะมันมันเลยมันเลยทิ้งรู้ไปคืนไปเอาครอบแก้วแทนแทนที่เอาจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันรู้แต่เราไปเอาครอบแก้วแทนกราบนรมศอาจารย์นรรศการท่านออ่ากรณีของน้องเขาเนี้ยมันจะมีหลายจุดที่คิดว่า มันน่าจะยังยังยังไม่เข้าใจไปได้อย่างแรกก็คือรู้ที่ว่าอันนี้คือรู้อะไรอันที่สองไอ้ที่ถูกรู้นี่คืออะไรไอ้ที่รู้สักแต่ว่ารู้นี่คืออะไรไม่ไม่ไ ม, ไม่ใส่ใจนี่คืออะไรไม่ปล่อยวางนี่คืออะไรแล้วก็วางแล้ววางแล้ว รู้สึกสบายก็ปล่อยวางอีกทีนี้น้องเขาจะผ ม, ผมว่าแต่ยังแต่ยังแต่ยังไม่เข้าใจนะฮ ะ, ะ<จ>เข้าใจเข้าใจไหมครับน้องเขา ต, ต่เข้าใจไมหมประเด็นที่ว่ารู้นี่คือรู้อะไรก่อนที่ที่ตอบพระอาจารย์ไปว่ารู้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็จูงไปว่ารู้รู้แล้วก็รู้ก็สักแต่ว่ารู้ รู้ที่ว่าอันนี้คือรู้อะไรที่ที่ที่ท่านจูงไปจูงไปแต่แต่ละขั้นตอนที่ท่านจูงไปแสดงว่าซักได้เป็นแล้วเราเองเลยังไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเวลาราให้ซักก็เลยซักไม่เป็นที่เขาเลยตอบคาถามเขาไม่ได้รู้เนี่ยหมายถึงว่า รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ทางใจในทุกขณะปัจจุบนันเมื่อตาเราเห็นรูปเนี่ยอยาก้รูปเนี่ยมันเข้ามามีค่ามีความหมายต่อใจเราเข้าไปมีมีมมทําให้เกิดปัญหาต่อใจวุ่นวายใจคือเข้าไปรักไปชงังไปยึดทําให้มีความกังวลกับเขาให้มันเห็นก็สบับว่าเห็นอย่าเข้ามาเอ า, าความไปกังวลในใจไปยึดไป อย่าให้บัญชีข่อให้เกิดปัญหาใจในขณะที่กระทบในปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันเนี่ยที่เราบอกว่ารู้สติรู้คือรู้ในปัจจุบันในขณะที่กระทบในปัจจุบันทางตาเนี่ยอย่างตาเราเห็นสามีหรือเห็นลูกเนี่ยก็ให้ก็เห็นตามปกติของธรรมชาติเพราะว่าตามีตาก็ต้องเห็นแต่อย่าเวลาตาขณะกระทบลูกกระทบสามีเนี่ยอย่าเอาสามีกับลูกเนี่ยเข้ามามีปัญหาในใจ อย่าให้เกิดกังวลใจถ้ามันกังวลพวกลินทิ้งไปทิ้งไปมันก็จะเป็นสัตว์แต่ว่ารับรู้สัตว์เทวเห็นทุกข์ขณะปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเห็นสามีเห็นลูกอย่าเอาเข้ามามามีปัญหาต่อใจเอามากังวลใจมีความไม่สบายใจทะเลาะบอกแวงกันให้มันแค่รับรู้รับรู้รับรู้มันก็จะไม่ก่อปัญหาใจแล้วก็มันไปก่อเป็น่ายเกิดพื้นวาย อธิบายเขก็ได้นะทำไมกระจายหยากเลยอธิบายมีต่ า, างกันก็ไเรื่อยๆมันก็ให้เห็นเนี่ยตาไปเห็นเขาก็สับสวาเห็นสับสวาลูกเขาก็คือรับรู้ตามปกติของธรรมชาติเนี่ยนะเพราะว่ามีตาก็ต้องเห็นกันแต่เห็นแล้วอย่าให้เกิดปัญหาใจอย่ามากังวลในใจอย่าไปทะเลาะกันวุ่นวายมันก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก มันจะไม่มีอะไรต่อกันก็สักแต่ว่าสัแต่ว่ารับรู้แล้วก็อย่าให้เข้ามามีปัญหาใจอย่าให้เกิดความกังวลเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจมาทะเลาะกันหูได้ยินเสียงเขาก็ยาว เ, เสียงนั้นเนะี่ยมาก่อให้เกิดปัญหาใจเกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจเป็นความกังวลแต่ธรรมชาติของหูเนี่ยมันก็ต้องได้ยินเสียงแต่เมื่อได้ยินแล้วในขณะใดทีได่ได้ยินเสียงเขา ขณะในปัจจุบันนะเราพูดถึงในขณะปัจจุบันขณะที่ในปัจจุบันที่ได้ยินเสียงเขาเนี่ยอย่าเอาเข้ามามีปัญหาใจอย่าให้ก่อความกังวลความทุกข์ใจไม่สบายใจเรียกว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินประตูลิ้นประตูลิ้นการเมื่อเมื่อเมื่อลิ้นริมรดอะไรเมื่อจมูกได้กลิ่นอะไรเมื่อกายปสัมผัสอะไรก็เหมือนกันแบบเดียวกันมันก็ต้องรับรู้เมเมื่ อ, เ ม, อเมื่อมีกลิ่นมากระทจบจมูกจมูกก็ต้องได้กลิ่น เมื่อมีรถมากระทบลิ้นลิ้นก็ต้องรู้รถเมื่อมีอะไรมากระทบร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ต้องรู้ถ้าเป็นธรรมชาติของทุกคนก็ต้องรู้สัตว์แต่ละฉันก็ต้องรู้แต่รู้แล้วเนี่ยอย่าเอาเข้ามามีปัญหาใจอย่าให้เกิดความกังวลใจอย่าให้เกิดความทุกข์ความเครียดอย่าไปยึดไว้เป็นเช่นว่าเขากระทบเราเราไม่พอใจก็ค้างเก็บค้างไว้ในใจตั้งนานอย่างเงี้ยอย่าเอาเข้ามาเก็บอะไรไว้ในใจให้เป็นเหมือนกับหายปลาลาที่เอาหมักเข้ามาหมักหมดเลย อย่าเก็บเข้ามาให้แค่รับรู้อย่า เ, อาเข้ามาเก็บอะไรไว้ในใจมันก็ใจก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความวิตกกังวลอะไรนี่เรียกว่าตัดแต่วรู้แล้วเวลาทางประตูใจอ่เวลามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็ตามมันสบายใจไม่สบายใจมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายขนาดไหนก็ตามอย่าเอาเข้ามายึดไว้ในใจอย่าไปหมายว่ามันมีคุณค่ามันมีความสําคัญอย่าไปจับไปยึด แต่แค่รับรู้ว่าเป็ น, ปนธรรมาชาติของเราไม่ตายมันก็มีประตูใจมันก็ต้องรับรู้อาการของใจเรายัางไม่ตายก็ต้องรับรู้อาการของใจสัตว์ในฉันมันก็ต้องรู้อาการของใจว่ามีอาการของใจสบายใจไม่สบายใจมันก็รู้อยู่ธรรมาชาติมันก็ต้องมีอาการสบายใจไม่สบายใจแต่มันก็อย่าเอาความสบายใจไม่สบายใจนะ เ, เข้ามามีปัญหาต่อใจให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็สบายใจได้มันก็ไม่สบายใจเดี๋ยวมันม็สบายกายมันก็ไม่สบายกายมันเป็นเรื่องปกติ อย่าเอาเข้ามามีปัญหาต่อใจได้แก่รับรู้มันรับรู้มันเวลาแปลว่ามันมีความรู้สึกอย่างไงที่ทําให้เกิดไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามันมีความรู้สึกมีอาการอย่างไรที่มันถูกใจเช่นว่างโล่งโปรง่งเบาสบายหรือมีอาการใจใหายหายแบบมีอาการใจใหายแวบบมีอาการใจวิววิวมีอาการเหมือนกับคนเป็นโรคไวัยท่อว่ะมันวนนว่๊วว่๊วว่๊วว่๊วว่๊วว่๊วว่๊วว มันเป็นอาการของใจที่ถูกรู้อย่าเอาเข้ามามีปัญหาใจใจก็ได้แต่แค่รับรู้รับทราบมันแม้มันจะเป็นอาการว้าวาวาววาเหมือนคนไวทองก็ตามธรรมชาติของใจอมันก็ต้องับมันก็ต้องไปรู้อาการเหล่านั้นแต่อย่าเอามันเข้ามามีปัญหาใจอย่าพยายามแก้ไขดิ้นรนผักใสมาแล้วให้ไปอยู่กับใจที่ว่างว่างว่า ง, ลงโล่งโปร่งบสบายอันนี้จะผิดพลาดมหาในเขาไปยึดจะชอบหน้าหนึ่งและเกลียดหน้าหนึ่ง ถ้าเราชอบหน้าหนึ่งและเกลียดหน้านึงเนี <hesion> ่ยม well, hmm? so. like like yes right ันยึดเราจะไปชอบหน้าหนึ่งและเกลียดหน้านึงใจมันเหมือนคนไวทองมีแค่ดีอาการเหมือนคนไวทองรู้จักไหมคนไวทองอ่ะอืมรู้จักเนาะคนไวทองอ่ะคนไหนไม่ไวทองก็คงจะพอรู้หรอกมันมีอาการว่ว่าว่าเหมือนคนบ้าอยู่ๆมันก็ไม่รู้เป็นขึ้นมาเองอ่ะคนบางคนมันยังไม่ถึงวัยมั้งผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นนะอยู่ๆมันก็มีอาการอะไรก็มันก็มันว่าว่ามีอาการ มันฟุ้งซ่านบ้าบอเลยทุกคนในใจเขามันไม่รู้เป็นอะไรทุกคนทุกคนคแต่ไม่ใช่ว่าพยายามไปหลบหนีอาการนั้นแล้วไปอยู่กับใจที่ว่างๆเบาๆสบายไอ้บางว่างเบาๆสบายมันก็เป็นอีกอาการหนึ่งอีกหน้าหนึ่งถ้าเราหลบหนีหน้านี้ไปอยู่อีกอาการที่ว่างๆสบายแล้วก็จะไปติดอีกอาการหนึ่งอยู่ดีเนี่ยเราหลบหนีหน้านี้เดี๋ยวมันต้องติดอาการหน้านี้เพราะอาการเนี่ยมั น, มนสลับกันไปสลับกันมามันเป็นอิจฉาทุกข์างอนัตตาอาการที่มันถูกใจมันก็ไม่เที่ยง มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอาการที่ไม่ถูกใจมันก็ไม่เที่ยมมันก็ต้องเปลี่ยนไปลงไปเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราหลีหนีอาการที่ไม่ถูกใจไปเอาอาการที่วางว่างเบาๆสบายตอนเนี้ยมันก็จะมาติดอาการที่ไม่สบายอีกมันก็จะกลับไปติดอีกเพราะอะไรก็ใจมันก็เลยไม่กลับเป็นจิตเดิมแท้ที่มันกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันก็เลยโดนไอ้ที่เราไปยึดไว้อะมันมาครอบเอาไว้มันทําให้จิตมันถูกจิตเดิมแท้มันถูกอะไรที่เราไปยึดไว้มาครอบเอาไว้เลย ต่นเนี้เขาเรียกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่รู้แต่ว่าอย่าไปเลือกย่าไปเลือกอย่าไปเลือกว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้จะเอาอยางไม่เอาแล้วอาเข้ามามีปัญหาใจก่อนเกิดปัญหาทางใจอย่าเข้าไปกังวลกับสิ่งที่รับรู้ส่วนจะแก้ปัญหาอะไรไปก็แก้ด้วยความรู้ความสามารถตามสติปัญญาทางโลกก็แก้ปัญหาไปแต่อย่าใจเข้าไปมีปัญหา ปัญหาเนี่ยในโลกเนี่ยมันไม่สิ้นไปหรอกปัญหาทางโลกปัญหาคนปัญหางานปัญหาอะไรก็ตามและปัญหาอาการของใจมันไม่สิ้นไปอะปัญหาอาการของใจไม่สิ้นไปปัญหาโลกก็ไม่สิ้นไปปัญหาคนก็ไม่สิ้นไปมันสิ้นอย่างเดียวคือใจอย่าไปยึดอย่าไปเอามันมาไม่เป็นปัญหาปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ปัญหาโลกปัญหาคนปัญหาดินฟ้าอากาศเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนมากเลยเมืองไทย เราจะเข้าไปยึดยวเข้าไปมีปัญหาต่อมันอากาศมันมีปัญหาแต่เราไม่มีปัญหาคนทุกคนมันมีปัญหาแต่เราใจอยจะเข้าไปมีปัญหาอาการของใจมันมีปัญหาเหมือนคนไหวทองว้าวว้าวว้าแต่ใจของเราอยจะเข้าไปมีปัญหากับมันถ้าเราเข้าไปมีปัญหาต่อมันเน่ะค es ือพอมันมีกิริยาการที่มันเหมือนฟุ้งซ่านมันไม่มันมีคนเหมือนไหวทองมัอนฟุ้งซ่าน แล้วเราก็พยายามจะจัดการมันพยายามทำยังไงมันกลับมาสงบไม่ฟุ้งซ่านนิ่งๆนี่เราเข้าไปมีปัญหาต่อมันแล้วพอติใจมันฟุ้งซ่านไม่สงบเราเเราพยายามจะทําให้มันกลับมาว่างๆสงบนิ่งๆนี่เราเข้าไปมีปัญหาต่อมันแล้วอันนี้เราไม่แค่สักตวะรุ่นเราเข้าไปมีปัญหาต่อมันแค่แค่สักตวะรุ่นเนี่ยอาการมันจะฟุ้งซ่านยังไงเราก็แค่สับตวะรุ่นมันก็จะไม่เปปัญหาต่อใจ ไอ้ความสงบนิ่งว่างเบาสบายมันมีมันมีมันมีอาการที่เราหน่าถูกใจมันก็จะไม่เข้าไปจับไปยึดมันเพราะว่าเรารู้โทษมันว่าถ้าเราพยายามไปจับอาการที่มันว่างเบาสบายเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้เราป่วยจนท่นเก็เลือดต่ําเนี่ยเนี่ยคือมันโทษมันร้ายแรงถ้าเราไม่เห็นโทษอันนี้เราก็จะไปเลือกอาการเีงคือหลีกหนีอาการที่ไม่สบายใจไปอยู่กับความสบายใจแล้วเราก็จะเก็บเลือดต่ําแบบเนี้ย เราเก็บเลือดต่ำจริงๆหมอไม่ได้วิจัยผิดแต่หมอไม่รู้ว่าสมุทฐานโรคมาจากอะไรไม่ใช่ว่าหมอไม่ได้ใหญ่ผิดว่าเราเเก็บเลือดต่ำก็เราเก็บเลือดต่ำจริงๆแต่เก็บเลือดต่ำเราเกิดมาจากสมุทรฐานอะไรหมอไม่รู้เราแก้สมุทรฐานสาเหตุที่ทําให้เราเก็บเลือดต่ำได้คือเราไปจับเบาสบายว่างผู้ทีไรก็จะจับว่างจับเบาจับว่างจับเบาคือทําใจให้ว่างไว้แล้วไม่ไปจับอะไรทําใจให้ว่างไว้แล้วไม่ไปจับอะไรอันนี้มันจับว่างอยู่ก่อนแล้ว ทำใจให้ว่างไว้เพื่อไม่ไปจับอะไรไอ้นี่มันจับความว่างไว้ก่อนแล้วนะแล้วมันก็เลยเดี๋ยวก็ไปเก็บือดตับอย่างเก่าอีกนี่มันจับยึดคือมันจะว่างไม่ว่างก็แค่รับรู้รับทราบมันอย่าไปอย่าไปเลือกเอาไว้เห็นว่ามันเป็นอันตรายมันเป็นโทษเราเลยจึงไม่จับมันนะถ้าเราไปเห็นว่ามันเป็นตรายเป็นโทษมันดีเราก็จะพยายามจับไปยึดไว้พอถึงอาการที่ไม่ถูกใจเช่นมันมีอาการฟุ้งซ่านมันมีอาการเหมือนว่าคนใบทอง ว่าวว่าภายในใจเราก็จะลังเกียจมาเราจะหนีไปอยู่กับความว่างอย่างนี้เราจะลังเกียจหน้าหนึ่งไปติดหน้าหนึ่งรังเกียจหน้าหนึ่งไปติดนอยู่หน้าหนึ่งอยู่เรื่อยตลอดไปอทํำไปอย่างเงี้ยเยอะเลยไม่เข้าใจท่านั้นก็เป็นอยู่ไม่ต่อเพูดอยู่อย่างเงี้ยก็ยังไม่เข้าใจยังรู้สึกว่าลังเกียจอาการตื้อตื้ออหน้าเรานี่เลยเอาจริงลังเกียจอาการตื้อตืจะทําให้มันรับรู้แล้วา มัจะม่มีอาการตื้อๆอาการตื้อๆมันจะหายไปไม่ใช่นะอย่างนี้อาการตื้อๆกับมันมีปัญหาต่อใจนะแบบเนี้ยเข้าไปยึดไม่แค่รับดูรับทราบสาักตะวารุถ้าสักตะวารู้เนี่ยมันเป็นอย่างเป็นอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่าหนาขณะดนี้มันมีอาการอย่างนี้นี่หน้าต่อหน้าต่อไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าเออถ้าเราสา datos, ับตะวารุอาการตื้อๆมันจะหายไปแล้วไปเหลือแต่ว่างๆอันนี้แหละยึดเลยทําให้อาการตื้อๆนเนข้ามามีปัญหาต่อใจ เราก like okay, so ouais, ็เจ <mel> ๊งผ <mel> ิดอย่างเงี้ยตลอดนะถ้าเราไม่แก้เขาก็เจ๊งผิดอ่ไม่นก็จะเราสอนยังไงก็จะไปทำอย่างเดิมเราสอนยังไงก็จะไปทําอย่างเดิมเพราะไม่เข้าใจนะซักเราเลยตอนนี้ต้องซักเลยเพราะว่าไม่เข้าใจแบบเนี้ยต้องซักเลยเราเห็นว่าทําผิดอยู่ในใจเข้าใจไหมที่เราพูดเนี่ยนี่แน่คือสักตะวันรู้สักตะวัรู้อะไรรู้สักตวันรู้ทางตาหูจมูกิีนกายใจอย่าให้เข้ามามีปัญหาใจอย่าไปเลือก ถ้าไปเลือกเข้าเนะี่ยคือปัญหาแล้วปัญหาเกิดพอซักต่อก็ได้ใช่ไหมเราพูดไม่ชัดเจนอ่ะไหนๆก็ซักแล้วถือไม้ซักต่อเลยให้ละเอียดเอาเอ้าเข้าใจไหมขอคําถามงน่อยครับหลวงตาคือไอ้ทุกสิ่งที่มันแกิดขึ้นนะครับมันอะไรคือจริงอะไรมันไม่จริงหรือมันเป็นสิ่งปรุงแต่งทุกสิ่งอย่างเลยจนวันที่เราจะลงไปหยุดแสวงหาความจริง แล้วจริงจะพบความจริงเดี๋ยวก็ต้องรีบถามซะเดี๋ยวจะต้องไปอยู่ตบาลแ์แนดินอ๋อทีนี้ถามก่อนนะครับหลวงตาพยายามหลวงตาบอกว่าทุกคนไม่อยากมีทุกข์ก็เลยไปชอบความสุขความความความสบายสิ่งที่ตนเห็นว่ามันดีแต่หลวงตาบอกว่ามันอยาอย่ใช่ไหมครับ มันไม่ไอสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันสบายเนี่ยมันมันไม่ดีจริงๆหรอกคือก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าพื้นฐานของทุกคนน่นแหละคือมันรังเกียจทุกมัคนทุกคนพยายามจะดีทุกข์มแหละไปหาความสุขสบายแต่ยิ่งทําอย่างนั้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทํามาแล้วตั้งแต่สีส่สมัยแปดมหากรัมทำอย่างนั้นมันไม่พ้นทุกข์ คือมันรังเกียจทุกหนีทุกไปหาความสุขเราคิดวา่าเราเนี่ยไปที่สุดแห่งสุขได้ทุกมันจะไม่มีผู้เจ้ากระหามาอย่างนี้ถึงเสียสงไขยแสนมาหากรับก็ยังไม่พบความจริงจึงพบความจริงว่าอย่ารังเกียจทุกอย่ารังเกียจทุก แล้วก็อย่าไปโหยหาสุขเพราะว่าสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติเราจะหนีสิ่งหนึ่งไปอยู่อีกสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันโดยธรรมชาติเราจะทำยังไงเราก็เลยไม่สามารถหนีทุกข์ไปหาสุขได้เพราะมันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ เราจะพยายามไม่เอาฝั่งหนึ่งแต่เราไปเอาอีกฝั่งหนึ่งคือเราลังเกียจทุกหนีออีกฝั่งหนึ่งคือความสุขเราทํำยังไงทุกมันก็ติดมามันเหมือนกับว่าสิ่งอะไรที่เป็นของคู่กันโดยธรรมชาติอย่างเช่นว่าหน้ามือกับหลังมืออย่างเงี้ยหน้ามือเรากับหลังมือเราเนียเปรียบเหมือนว่าหลังมือเนี่ยมันดําหน่อยมันเป็นทุกหน้ามือเนี่ยมันขาวหน่อยเป็นสุข เราลังเกียดทุกคือหลังมือเราแต่เราชอบเราจะมาหาที่หน้ามือจะเอาแต่หน้ามือมันจะได้อย่างไรในเมื่อเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติหน้ามือกับหลังมือถ้าเรายังจะเอาหน้ามือคือเอาจะเอาความสุขเราจะเอาหน้ามือยังไงไอหลังมือเนี่ยมันก็ต้องติดมาเพราะว่าเป็นของคู่กันหน้ามือกับหลังมือเนี่ยฟังให้ดีนะเปรียบเหมือนว่า เปียบเหมือนเนี y g y g m m m shrimp, ke, ่ยของคู่กันโดยธรรมชาติกับเหมือนหน้ามือเราเนี่ยมือเราเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยตะแข็งขึ้นมามันก็มีหน้ามือกับหลังมือไอ้หลังมือเนี่ยมันดำหน่อยเอาเปรียบกันเป็นทุกข์ไอ้หน้ามือเนี่ยมันขาวหน่อยกอาเปรียบเป็นสุขเราลังเกียจทุกข์ดิ้นรนแสวงหาความสุขคือลังเกียจหลังมือแต่เราดิ้นรนแสวงหาหน้ามือเราจะเอาแต่หน้ามืออย่างเดียวแต่เราไม่เอาหลังมือเราจะเอาแต่หน้ามือไม่เอาหลังมือ เพราะว่าเราลังเกียดหลังมือคือความทุกข์เราเจ้าแต่หน้ามือซึ่งเป็นความสุขเราดิ้นรนขนาดไหนดิ้นรนอย่างไรก็าตามพระเจ้าดิ้นรนมาถึงสี่อสงไขยแสนมหมากับเราก็ดิน้นรนมาเป็นแสนแสนกับแต่ถ้าเรายังจะลังเกียดแบบนี้ลังเกียดทุกข์จเจ้าแต่สุขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นของคู่กันโดยธรรมาชาติถ้าเราเจะลังเกียดหลังมือเจ้าแต่หน้ามือเนี่ย มันยังไงเราถ้าเราจะเอาหน้ามืออยู่หลังมือมันต้องติดมาคือทุกข์ก็ต้องติดมาคู่กันไปตลอดการถ้าเราไม่เอาเนี่ยก็คือต้องไม่เอาทั้งสุขและทุกข์วางมือลงไปคือไม่เอาทั้งหน้ามือและหลังมือคือสุขก็ไม่เอาความทุกข์คือหลังมือเนี่ยมันก็หายไปพร้อมกันเลยกับทุกข์นั้นกับสุขนั้นคือหลังมือเมื่อเราปล่อยวางหน้ามือคือสุขไอ้หลังมือเราปล่อยวางมือไปแล้วเนี่ยมือเราก็ไม่เอาทั้งมือ ให้หลังมือซึ่งเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็เลยหล่นไปด้วยพร้อมกับหน้ามือทุกพิงไปด้วยพร้อมกับหน้ามือมันก็เลยเป็นอิปทานคือหลุดพ้นจากทั้งสุขและทุกข์พุทธเจ้าจึงตัดกับอานนท์ในกิริมาโนตสูตรว่าอานนท์ด้วยบรารมีระดับพุทธเจ้าเนี่ยเราดิ้นหลนลแสวงหาความสุขที่ทุกข์ไม่มี จนกระทั่งในชาติสุดท้ายถึงหกปีเต็มทำความเพียรอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจจนผอมแห้งหนังติด ก, กระดูกรลบสลายไปก็ยังไม่สามารถพบกับความสุขที่สุด ท, ทิ่ทุกข์ไม่มีได้เราพยายามแยกสุขออกจากทุกข์เราเพียรจนหมดแรงหมดกำลังหมดหนทาง เป็นบารมีพุทธเจาที่สร้างมาถึงเสียสงขัยแสนหนักกับหมดหนทางไปหมดหนทางมาจึงยอมแพ้ปล่อยวางสุ ข, ขึ้นให้แก่ทุกข์ไปพระนิพานก็เข้ามาสวมทันทีเลยเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเราก็อยากพูดมาตังนานอย่าเกลียดทุกข์รักสุขอย่าเกลียดทุกข์รักสุ ข, อ ย, ยสขอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะว่าสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติถ้าเราลังเกียจทุกข์เราวิ่งหาสุขเราเกียดอาการของใจที่ไม่สบายที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ใจไม่สบายใจกับอาการเหล่านั้นเราวิ่งไปหาอาการใจที่ไม่มีอาการใดๆให้มันว่างอย่างเดียวอย่างเงี้ยทำาเราเกียดทุกข์รับสุขเราทําอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติเป็นนาฏกาเนี่ยเป็นแสนแสนกลับมาแล้วที่เราเกิดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถพทนทุกข์ได้มันก็จะเจ้าเกิดมาตั้ง เอาเสยสงไขแสนหมหากับก็ไม่สามารถค้นทุกข์ได้ในชาติสุดท้ายจริงต้องปล่อยวางไม่เอาสุขไม่โหยหาสุข น, นี้ต่อไปนิพพานก็สวมเข้ามาสวมทันทีเอาใส่ลงสอยก็ไม่ก็สันยังสงสัยไหมยังสงสัยเลยไหมเอาซักไอ้เออซักเต็มที่พอพรุ่งนี้จะกลับแล้วเข้าใจมยังไม่มีแต่เข้าใจไหมที่เราพูดนะ่ มีใครไม่เข้าใจอะไรบ้างเอาเอาให้เขาสามมัสกสารนะคะในฐานะที่ว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ยังอยู่ในสังคมยังอยู่ในการทำงานที่มีบุคคลรอบข้างถึงบางครั้งในความรู้สึกว่าฉิตใจเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนตั้งใจนะ คือภาพรวมรวมแต่ว่ามันมีทั้งสิ่งดีมากระทบแล้วก็สิ่งไม่ดีมากระทบคือเป็นเรื่องปกติของของทุกๆวันทั่วไปมันฝึกนานขนาดไหนที่ทําให้เรานิ่งคือบางครั้งเรา จ, จะนิ่งสักอมีกระทบมาห้าครั้งเราอาจจะเก็บได้สักสามอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยๆเก็บไปแต่โอกาสที่มันจะหมดไปมันไม่มีอะคะ่ะหนูก็มองว่ามันก็ต้องฝึกถึงขนาดไหนที่จะอยู่ได้กับสิ่งที่มากระทบโลบตัวเราอย่างเงี้ย แล้วเป้าหมายต้องการอะไรเป้าหมายในใจจริงๆหรือว่าถ้าเราฝึกได้แล้วเราบอกต้องฝึกขนาดไหนไอ้เป้าหมายจริงๆในใจเราชอบฝึกได้แล้วมันจะเป็นยังไงเราจะต้องระมัใจจริงๆความจริงๆก็คือหนูจะเป็นคนที่เจ็บที่จะนนนไม่ชอบฝึกได้อ่ะถ้าเราเป้าหมายเราถ้าเราฝึกได้แล้วอยากให้ใจเรานิ่งนี่ไงสิ่งต้องการในใจเราแสดงว่าเราตั้งนานไม่เข้าใจเราจะหมายถึงเอาใจนิ่งไม่เดินทางผิดตั้งแต่แรกนะพอเป้าหมายคือ เมไหร่เราจะฝึกได้จใจนิ่งมันก็ผิดตั้งแต่แรกแนะก็เดินเป้าหมายอว่า <Wow. S 2> นิ่งว่ามันมันมันเดินทางเป้าหมายผิด <Okay. S 2> ต้องฝึกอีกกี่ปีฝึกอนานเท่าไหร่ใจถึงนิ่งว่าแสดงว่าที่เราพูดตั้งนานเนี่ยเราไ ม, ไม่เข้าใจเรยไม่เข้าใจเอาให้ตั้งนานอธิบายหน่อยเอาว่าเดินทางผิดยังไงที่เราเราว่าผิด <Okay. S 2> อ่ะตั้งนานจะได้เราจะดูอันนั้ น, น, นกลับมาเข้าใจจริงก็พอ เอาคำตอบเขาเองนะคุณน้ำเราไปดเดินทางผิดยังไงที่บอกไว้กรรมนมัสการหลวงตาค่ะคือจริงๆที่หลวงตาอธิบายมาทั้งหมดในคืนเนี้ยก็เพื่อให้เห็นว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเรายึดเอาไว้ไม่ได้ถ้าเรายึดสุขเราก็จะทุกข์กับความสุขที่เรายึดไว้เพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เราก็ผลักใสไม่เอามันเพื่อจะไปหาความสุขเพื่อให้มันกลับคืนสู่ความสุข แต่ว่ามันไม่มีทางเลยเพราะว่าสุขกับทุกข์มันอยู่คู่กันถ้าเมื่อไหร่เราต้องการความสุขความทุกข์มันก็จะตามมาในายหลังเพราะว่าสุขมันไม่เที่ยงเดีย๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่ว่าความสุขนั้นจะเกิดจากเหตุใดแต่ว่าคนทั่วไปก็จะพอใจหน้าสุขแล้วก็ผักใส่หน้าทุกข์ ส่วนไอ้ความนิ่งความว่างอ่ะมันก็คือเพราะเราคิดว่าท่านนิ่งหรือว่างเมื่อไหร่เราจะเป็นสุขแต่จริงๆอ่ะท่านไม่ได้สอนให้นิ่งหรือว่างเลยไอ้ตัวนิ่งและว่างนี่แหละคือตัวปัญหามันเป็นภพที่ท่านอธิบายว่ามันเหมือนเป็นครอบแก้วที่หุ้มจิตไว้คงเคยได้ยินที่ครูบาอาจารย์หรือท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าถ้ายึดสิ่งไหนไว้จะถูกสิ่งนั้นกัดหรือจะทุกข์กับสิ่งที่เรายึดไว้การที่เรา อยากให้มันนิ่งว่างนี่ก็คือเรายึดนิ่งว่างไว้และไอ้ความนิ่งความว่างมันก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรารู้สึกว่าทําไมเราไม่นิ่งสักทีทำไมเราไม่ว่างสทัทีเราทุกข์กับความรู้สึกที่เราอยากจะไปสู่ความนิ่งความว่างมันก็เหมือนกับการเกลียดทุกข์รักสุขนั่นแหละใช่ต้องเข้าใจว่าสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงยึดสิ่งใดไว้ไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดมันไว้อะ ก็แค่รู้ว่าเออมีความสุขเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าสุขเนี้ยไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหรือว่ามีเรื่องที่มันไม่สบายใจเข้ามากระทบหรือว่าอาการที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่มีความสุขหรือความทุกข์ที่มันอยู่กับเราได้ถาวรมันเปลี่ยนตลอดแล้วถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไป เป็นของชั่วร่าวทั้งหมดมีราคาเดียวกันคือความไม่เที่ยงแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันเที่ยงไงเวลาที่เกิดความสุขเราก็จะรู้สึกว่าพอใจมันแล้วยึดมันไว้ยิ่งเวลามีความทุกข์เราจะรู้สึกว่าทุกข์นี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยใช่อยากรู้ราใ ม, มีอะไรนะคจุมถ้าเกิดมีอะไรไม่พึงใจเราก็ต้องปล่อยเลยเพราะมันคืออดีตไปแล้วอย่างี้ไหมคะถูกต้อง ต้องจํากัดแนวความคิดเราทันทีมันอยู่ที่คิดจริงๆว่าเราจะคิดแบบไหนคิดทางซ้ายหรือคิดทางขวาถ้าเราปล่อยนะวันนี้ก็คือปล่อยพรุ่งนี้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ปล่อยอีกปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเรื่อยๆมันจะเป็นการฝึกไปในตัวไหมคะเป็นก็คือเพราะว่าความทุกข์เกิดจากเหตุเหตุที่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้าไปไม่พอใจมันมันก็เป็นความทุกข์ค่ะถ้าเราปล่อยไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะไกล แต่ไม่ได้ไปสู่ความนิ่งความว่างนะอย่าย้อนกลับไปหาเขาคือไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาที่เราปล่อยเหตุที่ที่เราไม่พอใจที่ใครใทําอะไรหรือเกลียเราก็เออรือว่าก็อย่างเงี้ยคนนี้ก็เป็นแบบเนี้ยหรือว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ผิดพลาดได้เป็นธรรมดาก็อ่านอ่านอ่านบ่อยแต่ก็ยังไม่ซึ้งถึงใจเหมือนเรามานั่งนั่งสนทนากันอย่างเงี้ยค่ะคืออ่านก็เป็นการอ่านฝ่ายเดียวอ่านไปคิดไปมันเป็นเหมือนการสื่อสารทางเดียวแต่ถ้าได้ฟังอย่างเงี้ยก็จะต้องฝึกฝึกเรื่องปล่อย ค่ะหลูกลอาวเขาว่าคุณท่านนะคุท่านสิคือาต้องสุกปล่อยต้องต้องระวังนิดนึงคือพอปล่อยแล้วอ่ะมันจะสบายพอสบายอย่าไปจับสบายก็เห็นว่าสบายเนี่ยก็ไม่เ<อ>ที่ยงขอเรียนนิดนึงนะหาว่าเคยนั่งสมาธิที่วัดปากเขาน้อยที่ภูเขียวนะคะเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเ <c oughs> คยติดสุขครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตแล้วมีความสุขมากหลังจากนั้นก็พยายามอีกเพราะอยากยิ่งนั่งขออนุญาตนะคะก้นยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งหนักไปนั่งอยู่วัดหลวงปู่เบนก็หนัก เพราะว่าจะอยากอยากไปเจอสิ่งนั้นอีกมันเบาสบายแบบทจริงๆว่าไม่เคยเจอมาก่อนทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงครั้งเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอแต่เรื่องปิตินี่จะเจอบ่อยของตไปเองอนะคะก็ฟังแล้วฟังท่านแล้วก็หนู ม, มาฟังเนี่ยหนู ม, มาเก็บเกี่ยวดีกว่านะคะมาเพื่อมาเก็บเกี่ยวแต่ความสงสัยก็พยายามเอาความสงสัยของอื่นมามาผนวกกับตัวเราเพื่อที่เราจะรับไปจะรับไปจากทุกที่ที่เราได้มาอย่างนี้ยคะ่ะค่ะแต่ก็จะพยายามว่าถ้านั่งสมาธิจะไม่ยึดติดสุขแล้วคะ่ะ ใ่จะเจอครั้งเดียวหรือันในชีวิตเราอาจจะไม่เจออีกก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดูว่าเราเคยเจอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคือความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเรา<ม>นั่มีความสุขมากค่ะมันลอยมั น, ม, นมันไม่รู้ว่าเรานั่งนานเท่าไหร่จนเด็กข้างๆมาสะกิดบอกว่ากลับบ้านเถอะอย่างเนี้ยค่ะเสียดายแล้วเสียดายตรงนั้นมาก ต, ตรงนั้นน่ะมันไปจําไว้อยากจะมีสภาวะแบบนั้ น, นอีกแล้วทั้งที่นั่งมันก็อยากเจอสภาวะแบบนั้นมันก็เลยไม่เจอ เพว่าตอนนั้นเจอเอกโดยธรรมชาติไม่ได้คุยค่ะเมื่อไหค่ะเมื่อ ไ, ไหร่มีความอยากเมื่อนั้นเป็นตัณหาหพอเรานั่งสมาธิไปก็คือการเจริญตัณหามีแบบต่ตัณหาที่ ง, อ ง, ง้อแงไม่ได้มีสมาธิก็เรียนจากใจจริงๆนะคะเหมือนเรื่องสวดมนุก็วันก็สว่างเรื่องสวดมนุนคิดว่าการสวดมนุ์ทุกวันจะง่วงก็ต้องสวดต้องสวดจริงๆแล้วคืออยู่ที่จิตรวมอยู่อย่างไดก็ได้ให้เป็นจิตรวมอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจปทีละจุดที่ละจุดก็เรียนตามจำข้อทีจริงนะคะค่ะ ก็ขออนุ ญ, ญาตมาเก็บเกี่ยวเอาเพิ่มที่เองเปริงจะไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เราจะพยายามได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเหมือนโยมนี่เหมือนชาวปูตานเมื่อกี้เหรอ <c oughs> คือพูดยังไงมันก็ <c oughs> ไม่มีทางไปยังไงได้เลยมันความไม่ดีความสุขความสงบ ม, มันไม่ดีอย่างไรนะตรงนีนะ้พูดยังไงก็ไม่ไปงไงได้หรอกมันหมายไว้ไง ถึงพูดยังไงก็จะยึดตรงนี้ไว้มันจะก่อให้เกิดความทุกข์ความเครียดเราไปกระทบกับในงานเวลาไปเป็นผอเวลากระทบในงานมจะเครียดมากเลยเพราะเราไปหอยหาความสุขสงบไปเวลากระทบเราก็จะไปเก็บไว้ตรงนี้พยายามไปนั่งสมาธิไปสจดน่อให้มันดีเงียบเอาไว้แล้วก็มันจะทำมันจะหนีทุกข์ไปหาสุขอยู่เรื่อยไปตอเนี้มันจะกลายเป็นเก็บกดแล้วก็ระเบิดมันจะระเบิดคือตรงนี้ไม่เห็นความไม่เห็นโทษมันแล้วมันจะเหมือนกับชาวพูตานไหมคิดว่า อีกอีกความสุขสงบเนี่ยใจที่เป็นสมาธิมันไม่ดีอย่างไรไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ต้องปล่อยไปอีกถ้าเราไปยึดมันไว้มันจะก่อยเกิดความทุกข์ไม่จะบอกว่าสมาธิไม่ดีแต่มันเหนือนั้นขึ้นไปอีกแต่ถ้าเรายึดไปแค่เนี้ยมันจะทําให้เรามีความทุกข์ความเครียดเันไออารมณ์สมาธิมันเป็นสมถะมันเป็นอารมณ์สมถะคือใจมันสงบมันก็เป็นสมถะ มันก็ต้องผ่านสมถะมามันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่พอเราไปยึดอารมณ์สมาธิมันไม่ใช่เป็นสมถะจะแล้วเราไปยึดอารมณ์นั้นมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นสมาธิสมาธิคือมันมีใจที่ส ง, งบแต่ไม่มีคนไปยึดอย่างเงี้ยจึงเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่พอใจที่มันสงบแล้วเราไปโหยหาไปยึดความสงบนั้นอันนี้มันเป็นกิเลสไม่ใช่สมาธิ อสมาธิในอริยมรรคสัมมาสมาธิคือใจที่มันสงบในขั้นของสมสถะสงบปิติสุขกุเบกขาว่างมากเลยเป็นจนกระทั้งเลยไปจนถึงอากาสานาญจาณชนะวิาญญาณานญาณชนะอากิจัญญาณชนะว่างในขั้นของอรูปฌานมันเป็นสมาธิเป็นอารมณ์สมาธิในขั้นสมถะแต่เราไปหวยหาอารมณ์สมาธินี้ปุ๊ เป็นกิเลสทันทีไม่ได้เป็นสมาธิมันจะไปไหนไม่ได้มันเป็กิเลสสมาธิมันก็จะเสียหายไปต้นทจางมันจะฟุ้งซ้าน้วเพราะว่านี่มันก็จะสงบทำไมไม่สงบมันสมจะสงบสมัยจิตไม่ไม่สงบสักทีมันจะไม่สงบอย่างเก่ามันก็จะหงุดหงิดแต่นี่พอหงุดหงิดแล้วใครมาทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดหน่อยเพิ่มก็ไปตอเนี้ยเราจะอารมณ์แรงกว่าเดิมเพราะว่ามันหงุดหงิดกับใจที่ที่มันไม่ได้อย่างใจมาก่อนแล้วในใจเราตลอดเวลาว่านี้ยเราเคยได้สมาธิเคยสว่างขนาดนั้น ทํายังไงก็ไม่ได้อย่างเดิมสักทีตอนเนี้เวลาใครมากระทบมันจะยิ่งหนักกรับพี่บีเพราะว่าเรามงงอยู่ในใจเป็นเชื้อคือเชื้อมันมีอยู่แล้วพอเอาใครอมาทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ถูกใจมันก็นํามันไปสาสตร์เลยอย่งนี้ก็มันก็จะทําให้ยิ่งกับไปพอประสาทแล้วยิ่งเราพิจารณาสมาธิหนักก็ไปอีกจำนวนหนึ่งมันเป็นสมาธิกดเข้าไปแต่นี้ไม่เป็นสมาธิเราประกับเป็นกดเลยที่เก็บกดมันไม่เป็นสมาธิตอนแรกอะเราไม่รู้อะไรเรานั่งไว้เรื่อยๆมันเป็น ที่เบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไปเกิดสมาธิอันนั้นต้อเป็นสมาธิจริงๆและเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์เพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราทําไปแล้วมันไปเกิดสมาธิจริงๆตรงนั้นเป็นสมาสมาธิในยมคโยงแปดแต่หลังจากนั้นเป็นกิเลสตำรวจไม่เป็นสมาธิแล้วมันกลายเป็นพอไม่ได้อย่างใจพอกระทบอะไรแล้วก็ไปเข้ห้องทําสมาธิเพื่อไม่ได้อย่างเก่ามันไ่เป็นสมาธิเพราะว่ามันมีกิเลสปนแล้วมันไม่เป็นสมาธิแล้วรังสีจิตมันก็จะดําคลําขึ้นไปเรื่อยๆ จิตนิ่งกับจริงแต่กลายเป็นรังสีจิตเป็นดำคั่มขึ้นเพราะมันไม่เป็นสมาสัมมัธิีแล้วคือมันเป็นสมาธิตอนแรกๆที่เราเนี่ยไปทําสมาธิเราเราไม่รู้เป็นอะไรพอทางเข้าไปทางเข้าไปออกมันเป็นเป็นนไหมเป็นสมาธิเข้าไปรวมเข้าไปสว่างไปว่างเข้าอ้าวมันเป็นโดยเราเราไม่จังใจไม่อยากได้อะไรเราทำไปเรื่อยๆอ้าวพอเป็นกันแล้วต่อไปในโหยหาตอนนี้แหละเป็นกิเลสไม่เป็นสมาธิแล้วพอกระทบอะไรเราก็งุนงิตเพราะอะไรเรางุนจิตมันทําให้ได้อย่างเก่า เออหงุดิดไม่ได้อย่างเก่าทํายังไงมันก็ไม่เป็นสมาธิเคยได้มันไม่เป็นสติเลยหงุดหงิดบางหงุดหงิดปุ๊บใครกระทบไม่ได้ตอนนี้ใครกระทบไม่ได้พอกระทบไม่ได้ปมก็ไปเก็บกดเอาไว้มันก็เลยหลงังสีจิตมันก็เลยออกมาดําเข้ามือไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะไปโหยหามันคือมีคนหนึ่งเนี่ยเขาก็าเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทาแล้วก็ปฏิบัติไปหลวงปู่ทาอยู่ ลุงพุทธาจารย์สมมติซึ่งเป็นพระอาจารย์เราเป็นพ่อมแม่ครูาอาจารย์เราเป็นพาาาระอรหันต์ต้นมรรคภาพไปแล้วใจเขาเคยได้สมาธิอย่างนี้เนี่ยแล้วก็โหยหามันไม่เป็นสมาธิจริงเขาก็หมุดหิดมุดหิดมโหอยู่นั่นแหละคือพยายามจะทําให้มันได้สมาธิอย่างเก่ามันไม่ได้สักทีทำไงก็ไม่ได้สักทีก็ไปหาหลวงพุทธาพอเขาไปหาหลวงพุทาแล้วเนี่ย หลวงพุทธาก็เลยบอกว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละแค่นั้นเนี่ยไอ้ทีเขาเคยมโมโหหงุดหงิดมันไม่ได้ลมสมาธิอย่างเก่าสักทีเนี่ยมันหายไปเลยใจเขาที่มีความทุกข์มีความเครียดกับมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันหายไปเขาไม่มีความทุกข์กับใจที่มันสงบหรือไม่สงบเลย มันเหนือกับความสงบขึ้นไปคือใจไม่ยึดมั่นถือมัน่นสงบก็เอาไม่สงบก็เอาไม่สงบก็เอาสงบก็เอามันเลยเลยความสงบไปเลยเพระนั่นไอ้ที่เราสงบไอ้ที่เราบอกโอาหอยหาเนี่ยมันยังเป็นเด็กๆให้เลยไปอีกสงบก็เอาไม่สงบก็เอาปล่อยวางไปให้หมดแล้วมันก็เลยเลยไปอีกเลยไปอีกพบอะไรก็เลยไปอีกสมมุติวันเลยไปพอปล่อยวางเสร็จแล้วมันไปว่างเลยสงบไปว่าง ไปสว่างมันก็จะไปโหยหาอีกนี่ไปที่หล่นโหยหาความสงบความว่างนั้นอีกตอนนี้พอมันไม่สงบไม่ว่างก็ที่หล่นมาโหต่ออีกมันก็แบบเดียวกันพูดแบบเดียวกันคือว่างก็เอาไม่ว่างก็เอาใจมันก็เลยพ้นจากความว่างและความไม่ว่างไปเลยอนนีน้เหนือขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราไปติดอะไรอีกก็ต้องวางอีกวางไปจนไม่มีจนไปเรื่อยๆนั่นแหละ ไม่มีอะไรที่จะเอาไว้สักอย่างเดียวนั่นแหละวางไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือวาง